แปดสธรรมกายแท้ของพุทธไม่ใช่แค่การสร้างภพการทำธรรมกายให้เกิดอาการใสในพวังที่ทำทำกันสรนสอนกันทั้งหลายนั้นคือการสร้างภพสร้างชาติอยู่ในพวังหรือการทำสมาธิหลับตาเข้าไปอยู่ในพวังใดก็ตาม ที่ปั้นภาพปั้นรูปขึ้นสำเร็จในจิตพวังนั้นล้วนเป็นมโนมยะอากาทั้งสิ้นหากทำได้สำเร็จเห็นความใสในพระวังก็ดีหรือเห็นภาพที่เกิดอื่นๆใดๆก็ดีจนถึงขั้นเห็นพระพุทธเจ้าในพุทธเกษตรปานนั้นก็ตามล้วนคือสัญญากำหนดหมายของคน ผู้ทำสัญญาณเองจนสามารถทำได้สำเร็จด้วยจิตก็เป็นมโนโมยอัตตารูปที่สำเร็จด้วยใจทำให้เกิดภาวะ น, น, นั้นๆมีขึ้นได้ในใจของตนเป็นนิมมานการเนรมิตการสร้างการประดิษฐ์จากทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฐิของตน จนเป็นจนมีขึ้นได้สำเร็จชะนี้เองคือผู้ได้นิมานรดีจากการสร้างเองการเกิดแบบนี้เป็นการทำให้ปรากฏขึ้นในจิตได้เช่นกันแต่เป็นการเกิดของจิตในจิตที่ยังไม่มีเหตุปัจจัยครบองค์ประกอบของรูปกับนาม หรือครบองค์ประกอบของการสัมผัสวิโมก8ด้วยกายกระทั่งมีกายสักขีมีกายเป็นสักขีพยานอยู่ทนโท้บริบูรณ์พระไตรปิฎกเล่ม36ข้อ42และเล่ม31ข้อ491เถึง498เพราะเป็นการปฏิบัติที่ยังมิฉาทิฐิ ทำได้แค่เป็นการเกิดของโล ก, ก, กีจิตที่สร้างมโนโมยอัตตาขึ้นมาได้สาเร็จในภพผวังด้วยความรู้ขั้นสัญญาเท่านั้นยังไม่เห็นด้วยปัญญาจึงยังไม่ใช่การเกิดที่เป็นการเกิดที่เรียกว่านิพพัตติเป็นการเกิดแค่โอกันติ ที่ยังอย่างลงเป็นโลกิยกจิตของปุตุชนอยู่นิพพัตติคือการเกิดของโลกุตรจิตตั้งแต่เริ่มเกิดกระทั่งถึงขั้นสูงสุดอันเป็นขั้นนิพพานกันทีเดียวถ้าการเกิดขั้นนิพพัตตินี้และเจริญขึ้นเจริญ ข, ขึ้นถึงขั้นอะพินิพพัตติก็คือการเกิดของโลกุตรจิตขั้นสูง ที่สูงขึ้นถึงขั้นสุดนิพพานผู้นั้นจึงจะเป็นผู้เจริญในอาติศีลสิกขาอาติจิตสิกขาอาติปัญญาสิกขามีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติครบวิมุตติยานทัศนาสมบูรณ์